ที่ประเทศอินเดียมีอาจารย์คนหนึ่งชื่อวิษณุเป็นคุรูทางด้านจิตวิญญาณก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายวันหนึ่งอาจารย์วิศณุก็เรียกลูกศิษย์ที่เกชี้สองคนมาหาคนหนึ่งก็ชื่อชัยยาคนหนึ่งอีกคนก็ชื่อจิตนะพอสองคนมาหาก็พาไปห้องว่างอยู่สองห้องเสร็จนอาจารย์ก็มอบให้เงินมอบเงินให้แต่ละคนเนี่ยคนละหนึ่งรูปีแล้วบอกว่า ไปหาอะไรมาก็ได้เพื่อมาเติมห้องนี้ให้เต็มนะพอได้ละมอมไม้นี่ใช้ ย, ยาก็รีบนะเดินไปที่ตลาดทันทีเพื่อจะหาซื้อของมาเติมห้องให้เต็มแต่ปรากฏว่าเงินรูปรูปีเนี่ยนะมันนิดเดียวสมัยนี้1นรูปีก็ประมาณ60ตังค์แต่ว่าสมัยก่อนสักสามสิบปีก่อนก็คงจะประมาณสองสามบาทนะหาซื้ออะไรก็ซื้อไม่ได้มากพอที่จะ ไปเติมห้องให้เต็มได้ทำยังไงคิดสักพักก็ก็พบทางออกก็ไปหาคนเก็บขยะนะก็เหมานะเหมาขยะเท่านี้มีด้วยราคา1รูปีนะคนเก็บขยะก็ยินดีอยู่แล้วนะเพราะว่ า, าดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะได้หนึ่งรูปีนะชัยยะก็ดีใจนะขนขยะนะไปใส่ไว้ในห้องนะจนสูงเป็นสูงท่วมหัวเลย แล้วแกก็ภูมิใจว่าทำงานได้สำเร็จส่วนจิตเนี่ยนะพอได้รับมอบหมายจากอาจารย์แกก็นั่งสมาธินะวางทุกสิ่งทั้อย่างลงไปนะแม้กระทั่งการบ้านที่คุณอาจารย์มอบหมายก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์จิตอยู่ก็อยู่กับลมหายใจพอจิตสงบก็พบนะพบคำตอบจิตก็ค่อยเดินไปที่ตลาดเหมือนกันนะไม่เร่งรีบ เราก็ไปซื้อไม้ขีดซื้อทูบแล้วก็ซื้อประทีบนะของพวกนี้ราคาไม่แพงนะที่อินเดียประทีบก็เป็นประทีบแบบเล็กๆนะราคาถูกมากนะหนึ่งรู ป, ปีนีซื้อได้สบายเลยพอกลับมาที่ห้องก็จุดทูบจุดประทีบสักพักเนี่ยนะห้องนี้ก็อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมแล้วก็เต็มไปด้วยแสงสว่างนะไม่นานาลยนะอาจารย์ก็มาตรวจงานนะ ไปที่ห้อ ง, องชัยยาก่อนสาวเท้าเข้าไปในห้องเนี่ยไม่ทัลไยก็เบื่อนหน้านหนีเพราะอะไรเพราะกลิ่นขยะ ม, มันโชยมาเหม็นมากเลยนะตรงข้ามนะพออาจารย์เนี่ยเข้าไปในห้องของจิตเนี่ยได้กลิ่นมลิกลิ่นไม้จันท์หอมแสงสว่างก็เรืองนวลนะอาจารย์ก็ยินดีรู้สึกสบายใจนะเพียงเท่านี้ก็รู้นะว่าคนไหนที่ชนะนะ ที่จริงอาจารย์ก็ไม่ได้คิดจะให้แข่งขันนะแต่ว่าอยากจะทดสอบภูมิปัญญาอาจจะเป็นเพราะว่าชายานี่เขานึกต่อว่าอาจารย์ก็แล้วาอาจารย์นี่ไปไปให้คะแนนกับจิตมากไปนะตัวเองก็เป็นสิทธิ์เอกเหมือนกันทําไมอาจารย์ไม่ค่อยมอบหมายงานให้อ า, อาจารย์ก็เลยอยากจะก็เลยให้บททดสอบเพื่อให้ชายาเขารู้ว่าจริงๆแล้วนี่สติปัญญาของเขานี่ก็ยัง ยังสู้นะสู้จิตไม่ได้นิทานเรื่องนี้เนี่ยมันก็ชี้เห็นนะว่าคนสองคนที่มีความแตกต่างกันในด้านของสติปัญญาอย่างไรนะถึงแม้ว่าจะทํางานสําเร็จทั้งสองคนนะห้องทั้งสองห้องก็เต็มนะแต่ว่าผลมันต่างกันเยอะเลยอันนี้มันแสดงถึงภูมิปัญญานะที่แตกต่างกันของสองคนแต่ถ้าดูให้ดีเนี่ยมั น, ะะนยกระถึงวิธีคิดที่แตกต่างกันด้วยอย่างคนแรกเนี่ยชา ย, ยายเนี่ยแกคิดไปในเชิงวัตถุมากนะ คิดเป็นในเชิงวัตถุนะให้ความสําคัญกับวัตถุเพราะฉะนั้นพอบอกว่าหาอะไรมาเติมให้เต็มห้องเนี่ยนะแกก็นึกถึงวัตถุแต่เนื่องจากไอ้หนึ่งรูปีเนี่ยมันน้อยมันซื้ออะไรไม่ได้มากนะมันก็ต้องลงเอยตรงที่ว่าไปซื้อขยะมาไปซื้อขยะมาเติมให้เต็มห้องนะส่วนคนที่สอเนี่ยคือจิตเนี่ยแกให้ความสําคัญกับเรื่องที่มันประณีตนะไม่ได้ในเรื่องที่เรื่องวัตถุที่มันจับต้องได้ เพราะนั้นเนี่ยแกก็เห็นว่ามันมีอีกสิ่งหนึ่งนะที่มันจะช่วยทำให้ห้องนี้เต็มนะก็คือความหอมกลิ่นหอมและแสงสว่างนะให้พวกนี้จับต้องไม่ได้นะแต่ว่าให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันใช้เงินไม่มากนะแต่ว่าก็สามารถจะทำให้สำเร็จประโยชน์ได้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็จะว่าไปมันก็ชี้เห็นถึงวิธทีที่แตกต่างกันคนสองคนสองประเภทในโลกนี้นะคน ประเภทนึ่งก็เน้นแต่เรื่องวัตถุมองแต่เรื่องวัตถุจะทําให้สําเร็จอะไรก็นึกแต่เรื่องสําเร็จด้วยวัตถุอีกประเภทนึงก็คือคนที่มีความพิดที่ประนีดนะคิดในเชิงนมามธรรมหรือเรื่องที่ที่มันประนีดห้องเนี่ยนะก็เปลี่ยนเหมือนชีวิตคนนะคนเราเนี่ยก็มีจุดมุ่งหมายที่จะส่วนใหญ่ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะอยากจะให้ชีวิตมันได้รับการเติมเต็มนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าชีวิตจะเติมเต็มได้ก็โดวยวัตถุเพราะฉะนั้นก็ไปแสวงหา วัตถุไปหาเงินหาทองมาเพื่อกว่าต้อนทรัพย์สมบัติสะสมทรัพย์สมบัติเอามาไว้ให้มันให้มันเต็มถ้ามีเงินมากๆก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันได้รับการเติมเต็มนะไอ้เงินหนึ่งรูปปีหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าหมายความถึงชีวิตคนรูปปีหนึ่งมันก็นิดเดียวนะก็เหมือนกับชีวิตคนเรานะมีเวลาอยู่ในโลกนี้เพียงแค่น้อยนิดนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่นานเราจะทําอย่างไรกับเวลาที่มีน้อยนิดเพื่อจะทําให้ชีวิตได้รับการเติมเต็มนะ คนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยก็ใช้เวลาที่มีน้อย น, นิดในการไปหาวัตถุหาทรัพย์สมบัติมาเติมชีวิตให้เต็มจะรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเติมเต็มหรือว่ามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีวัตถุนะเช่นมีรถเบนซ์มีสินค้าแบรนด์เนมมีแก้วแหวนเงินทองเนี่ยมีเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันเติมเต็มแต่บ่อยครั้งไอ้สิ่งที่ไปหามาเนี่ยนะหามาเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยนะก็ไม่ได้ใช้ หลายคนมีกระเป๋าแบรนด์เนมรองเท้าแบรนด์เนมนี่เยอะแยะไปหมดบางคนมีรอยเท้ารองเท้าเป็นร้อยคู่เสนะื้อนับไม่ทวนแพงแพงทั้งนั้นแต่ไม่ค่อยได้ใช้มันก็ลงเอยไม่ต่างจากขยะนะก็คือรกบ้านนะมันไม่ใช่แค่รกบ้านเดี๋ยวมันรกใจด้วยนะเพราะใจก็เป็นคอยแต่คิดถึงเรื่องนี้แหละคอยแต่ห่วงกังวลถึงเรื่องนี้แหละจะหาที่เก็บก็ไม่รู้จะไม่มีที่เก็บเหลือแล้วนะเวลาจะไปออกงานนะเสื้อผ้าแบรนด์เพชรเต็มไปหมดไม่รู้ว่าจะเอา ตัวไหนเอาเส้นไหนมาใส่นะมีธารมาลุจักผู้ใหญ่ท่านนึงนะเป็นคุณหญิงก็รวยมากนั้นะเธอก็บ่นนะว่าเนี่ยเวลาจะออกงานนี่โอ้เครียดนะไม่ได้เครียดนะว่าจะไม่ได้เครียดเรื่องอะไรแต่เครียดเรื่องว่าจะเอาเสื้ออะไรนะเอาผ้ า, าถุงอะไรหรือว่ากระโปรงอะไรนะให้มันเข้าชุดแล้วเข้ากับงานเพราะมันมีเยอะมากนะแกแบงเงินสายสร้อยก็เยอะเหมือนกันนะเครียดใช้เวลานาน ตอนหลังก็ตัดสินใจว่าเห็นตัวไหนก็ใส่เลยนะง่ายดีเห็นตัวไหนใส่เลยไม่ต้องคิดมากอ น, นี่วิธีแก้และตอนหลังก็เริ่มรู้ว่ามีให้น้อยนี่มันดีกว่าไอ้ของที่ไปสะสมมาเนี่ยซื้อหามาเนี่ยบ่อยครั้งมันก็กลายเป็นขยะคือรกบ้านแล้วก็รกใจนะแล้วก็บางทีมันกลายเป็นโทษด้วยถ้าเกิดว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเช่นไปโกงนะไปลักขโมยเข้ามาคอรับชั้นเพื่อไปหาเพื่อได้มีเงินมาซื้อของเหล่านั้น ไนะอ้สิ่งนั้นกลายเป็นขยะเลยเพราะมันกลายเป็นโทษนะบางคนเคยมีข่าวนะปหลัดกระทรวงกระทรวงหนึ่งแกคอร์รัปชันเนี่ยเวลาจะเรียกเงินค่าตอบแทนเนี่ยขอเป็นเงินสดแล้วเงินสดเป็นสิบล้านนี่มันมันก็เป็นโทรทัณฑ์บัตรนีนะ่หลายปึกเหมือนกันนะมีปัญหาว่าจะซ่อนยังไงนะเอาเข้าธนาคารก็ไม่ได้เดี๋ยวตำรวจหรือเจ้าที่จับได้นะปปองงอหาหลักฐานพบก็ต้องไปซ่อนในบ้านนะ วันดีคืนดีก็คนไปเจอขโมยไปเจอนะขนเงินออกมาถูกจับได้ตำรวจสงสยัยทำไมมีเงินเยอะแบบนั้นเงินสดทั้งนั้นนะความก็เลยแตกนะหลายคนโกงได้เงินมาเนี่ยมีปัญหาว่าจะไปซ่อนที่ไหนกลายเป็นภาระนะแล้วก็กลายเป็นหลักฐานที่ทำให้ตัวเองต้องเข้าคุกในเวลาต่อมานี่ก็เราเป็นขยะนะกลายเป็นขยะยจริงเลยเพราะมันมันก่อโทษหรือถึงแม้ไม่ถูกตำรวจจับแล้วก็ทาให้เกิดความวุ่นวายใจรุ่มร้อนใจ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยเราสามารถรับการเติมเต็มได้นะเพียงแค่เราทําความดีมีศีลมีธรรมสร้างบุญสร้างกุศลไอ้พวกนี้มันเป็นนามธรรมานะแต่ว่ามันทําให้ชีวิตจิตใจได้รับการเติมเต็มอิ่มเอ้มนะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยคิดแบบนี้เท่าไหร่ว่าการเติมเต็มชีวิตจิตใจเนี่ยมันไม่ต้องใช้วัตถุนะมันเพียงแต่ว่าทําความดีนะสร้างบุญสร้างกุศลนะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และถ้าใดีเนี่ยนะเราทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเติมเต็มด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยนะแล้วก็สําหรับเวลาอันน้อยนิดในโลกนี้เนี่ยทำได้ทําให้เติมทําให้ชีวิตเราได้รับการเติมเต็มได้คนเราถ้าเติมชีวิตจิตใจด้วยวัตถุนะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะหาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอไม่รู้สึกว่าความพร่องยุติสักที มีมากเท่าไหร่ก็ยังรู้สึกพร่องรู้สึกว่าห้องมันยังไม่เต็มนะคือชีวิตยังไม่ได้รับการเติมเต็มเท่าไหร่แต่ถ้าทําความดีเนี่ยนะสำหรับเวลาที่เรามีอยู่ไม่มากในโลกเนี้ยหกปี70ปี80ปีหรือแม้กระทั่ง20ปีเนี่ยมันเต็มได้แม้แต่วันเดียวนะวันเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทําความดีเนี่ยจิตใจมันก็อิ่มเอมเต็มอิ่ ม, ม, มนะีได้เหมือนกันพรอาจาตรัสว่าเนี่ยคนที่มีอายุ100ปีนะแต่ว่าอยู่อย่างประมาทนะแล้วก็ ไม่มีสีไม่มีธรรมเนี่ยสู้ชีวิตของคนคนเดียวชีวิตของสู้ชีวิตของคนที่อยู่ได้เพียงวันเดียวไม่ได้ที่เขาทาความดีนะอยู่อย่างไม่ประมาทงั้นเวล า, เาพูดถึงเรื่องการเ ต, เติมเต็มชีวิตเนี่ยนะให้เราลองนึกถึงนะคนอย่างจิตมั่งนะว่ามันมีวิธีที่จะเติมเต็มชีวิตจิตใจเนี่ยนะที่ดีกว่าประเสริฐกว่านะไม่ใช่เติมด้วยวัตถุสิ่งของนะแต่เติมด้วยคุณงามความดีนะบุญกุศล ทำความรู้สึกตัวให้มันเต็มชีวิตจิตใ จ, จของเราเหมือนกับห้องนะที่มันเต็มไปด้วยแสงสว่างนะความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะใจมันก็สว่างนะแล้วก็พฤติกรรมการกระทำกายวาจาก็จะงดงามเหมือนกับว่าเปรียบด้วยกับกลิ่นหอมนะอลองพิจารณานะเอานิทานเรื่องนี้ไปเตือนชีวิตของเรานะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็จะดีมากก็ฝากไว้นะสหรับพวกเราก่อนที่จะกลับ อ่าสื่อพูงลำนาหรือกลับบ้านาเตรียมรับพร